เรามาเรียนตามพ่อกาตามครูเรามีครู่าอาจารย์ไม่ฉลาดต้นดนันคิดเอาเองพระเจ้าสอนว่าให้มีสติดูกายสติปัฏฐานเป็นทางอันเด็กเห็นกายในกายเห็นกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตอตอนโลเขาเ้าเราก็เห็นกันทุกคนตอนในที่เห็นกายนี่คือสติคือความรู้สึกตัว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 แต่นี้ต่อไปจะไม่เอารูปนี่ไปทําชั่วจะเอาลูปทำความดีจะเอาน้ําทำความดีจะเอาน้ําไม่ทําความชั่วคุยโวไปก็ถ้าจะคุยหมากก็เยอะๆก็เลยแล้วก็ถามต่อไปว่าสมมุติว่ายอมเชียงคานอยู่ถ้าโวาอัตมาอยู่วัดมุกหลังสีศักดาลามเนี่ยอัตมาสั่งให้โยมเชียงคานมาหาแต่ว่า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 เพราะเขาเนินทธาเสียใจมันปีรดชาติใช่ไหเป็นสุขเพราะสรเสริมมีไหมเป็นทุกข์พวเนินทธามีไหมบัญญัติเอามีรดชาติเนินทธาก็ดีจเสียใจสรเสริมก็ดีใ จ, ดใจได้มาก็ดีใจเสียไปก็ทุกข์ใจอะไรต่างๆมันบัญญัติเอาจริงภายนอกมาห้อยมาเขียนไว้กัใจล้วเอาใจเราไปห้อยเขียนกับจริงภายนอก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 ไม่ใช่แบบสมมุดทั้งธรรมะด้วยทั้งสมมุติด้วยมันมีสมมุติอยู่ในเรามันมีปรามัดอยู่ในเราสมมุติคือบัญญัติเดาว่าชอบว่าไม่ชอบเพราะวัตถุภายนอกภายในบัญญัติเดาว่าของจริงถ้าเราลักก็รักจริงๆถ้าเราโกรธก็โกรธจริงๆรงามตามความรักทำตามของโกรธผมว่าเดียนตอบไปเท่านี้อาจารย์ก็ว่าอนุโมทนาเลโยมเชื่อกาเเ้ย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 อะไรก็ตามมาใช่กายแม้แต่รูปรถกลิ่นเสียงที่บรร ม, มีเกี่ยวข้องกับกายกับรูปทนมน้ำทำนี้ให้เราเห็นมันเราจรึงจะอยู่กับโลกอย่างสง่างามศิลปะในการอยู่กับโลกอย่างงดงามเขาเนินทาราก็เขาไม่รู้เนะสงสารเขาเขาเสรินเฉินเราเรารู้ตัวเองกว่าเขารู้เราเราไม่เป็นไปกับเขารู้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 พอเอาไปขิดยาขึ้นเตียงหมอเอาเข็มยาโดดลงเตียงนาทีวิ่งออกประตูไปเยืนอยู่น้าลงไปบาบาลลานยาขี้มือแต่วมันจะฆ่ากูเลยนะ่ะกูไม่รู้นะถ้ากูรู้ไม่ทันมันกูตายแน่นอน <c ười> อะไรขี้มือขี้ไม่อยู่โวยวายโว า, า, ามากโกรธหลงพ่อด้วยมากโกรธหลงตาด้วยว่าอาจจะเอาให้เขาไปฆ่าอะไรไปพูดทําไงดีหมอหมอบอกว่า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 ลิ่นมัดไว้จับลหลายคนพอฉี่ยาแล้วโอ้ยหมอเอ้ยแม่เอ้ยเยขาจะาคาใคแล้วเมา่อชอยคนนั้นเนอะพอเอ้ ย, ออยก็จะหนุกดีเลยหลัวโลบอ่เนี่ยพอจีจาแ ล, ล, ล, ล้วหัวโ ล, ล, ล อ, อ, อ่าอนหมอบอกว่าเอามันกินเรืแล้วมันจะหลับกันหลักลับมาว่าจกรโตลากคอนไนอนที่สัลันหลับสองวันสองคืนอ้าจหน้ามึงเลยว่าเอาไปก็ไปหายเดี๋ยวนี้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 ได้ไหมองนั่นน ะ, ะเพี้ยนไล่เป็นดีชักหน่อยได้ไหมมีไหมคนที่บาา้าเราด่าเราทำงานร่วมกันเป็นใบบานทำ ง, งานเป็นตัวเมงไม่เป็นไรผิดแล้วแล้วไปชักหัวใช่มไลายคมดีคนเราถือสาเรื่องกันไปได้นี่อย่าหลุดพ้นให้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองคนเนรน้อยล้มลุกคดต่างภาพหนึ่งลูกขึ้นมาต่อยกันแล้วอันันน่ะ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 เขาบอกกันด้วยอะไรที่พวกเาบอกกันเลยเช่นเราสามีพัญญานยะเราสองคนนะจะทุกดีมีจนเพราะเราสองคนนี่แหละจะที่อะไรผิดก็บอกเราด้วยไม่ได้ถูกก็บอกเราด้วยเวลาบอกราเตนก็อย่าโกรกกันนะอย่าลงตาบวชพระมวดเนเนเนี่ยให้นิสัยขอนิสัยต่อไปนี้เราเป็นพระตกกันนะพระของเราทั้งสองฝ่ายเคมีตกกันแล้วเกิดขึ้นแล้ว